ตาจะร่วงเดินขู่แฟนควงส่งขึ้นรถไฟแฟนจะลาบ้านป่าไปกรุงเทพปลายทางแสนจะห่างไกลขออวยพรให้พี่ปลอดภัยเถินไปรุงเรื่องทึกเมืองคนรวยไปเจอคนสวยอย่าลืมท้องนา พามาเน เอคนสวยอย่าลืมท้องนามีสตางแล้วรีบมาพี่อามวัวเมาหลงกินเหล้ายาเห็นคนเขียนตาบาดอุราอย่าเพลิเจอมแนงน้อยนุ่งนิดปิดหน่อยอย่าลืมกัะเนอะ้อเจอมนาง พ, พาถ้าสวยก็น่าอย่าพามาเน้อ